เรื่องเล่าผีหลอนตอนผีปอบดำข้างบ้านเรื่องราวที่คุณผู้ฟังจะได้ฟังกันต่อไปนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2559เป็นเรื่องของคุณนัดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนแห่งหนึ่งในภาคอีสาร เรื่องราวชวนขนหัวลุกที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเป็นเรื่องลี้ลับที่คิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นหรือไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปแล้วโดยเฉพาะเรื่องปอบที่คนสมัยโบราณชอบพูดกันว่ามันมีอยู่จริงทำให้คนเจ็บและคนตายมานักต่อนักแต่ตัวของคุณนัทเองก็ไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่ จนได้มาเจอกับตัวเองคุณนัทและครอบครัวมีพ่อกับแม่และญาติได้ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดทางภาคอีสานตอนบนเหตุที่ครอบครัวของคุณนัทต้องย้ายบ้านบ่อยๆก็เพราะต้องย้ายตามพ่อที่รับราชการเป็นครูเราได้เช่าบ้านแห่งหนึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้นคุณนัทและครอบครัว ได้อยู่บ้านหลังนี้มาประมาณปีเสรศษ เ, เหตุการณ์ก็ปกติดีไม่มีอะไรน่าห่วงจนกระทั่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2559คุณย่าของผมในวัย75ปีเกิดล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งๆที่แกเป็นคนสุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรแกบอกว่า แกปวดท้องมากจนต้องนอนเกลือกกลิ้งลงกับพื้นแม่ของคุณนัทบอกให้ไปซื้อยามาให้แกท่านคิดว่าเป็นโรคกระเพาะเมื่อทานยาแล้วก็ยังไม่หายพอรุ่งเช้าพ่อของคุณนัทจึงพายาไปตรวจที่โรงพยาบาลเอ็กซเรย์ดูในท้องทั้งหมดแต่ก็ไม่พบอะไรตรวจเลือดก็ไม่พบอะไรผิดปกติ แต่คุณย่าก็ยังร้องโอดครวญอยู่อย่างนั้นทำให้ต้องนอนโรงพยาบาลดูอาการไปก่อนระหว่างที่นอนโรงพยาบาลอย่าต้องนอนห้องผู้ป่วยรวมเนื่องจากห้องพิเศษเต็มคืนแรกคุณนัทต้องนอนเฝ้าเพราะเป็นช่วงหยุดเรียนวันเสาร์อาทิตย์พอดีอีกทั้งคุณพ่อและคุณแม่ของคุณนัทก็มีโรคประจาตัว ถ้าหากให้นอนเฝ้าคนไข้ที่โรงพยาบาลคงไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันแน่และสุขภาพก็จะแย่ลงไปอีกคุณนัทก็เลยอาสาเป็นคนเฝ้าแทนแต่ในคืนนั้นคุณนัทก็นอนไม่ค่อยหลับสักเท่าไหร่เพราะต่างถิ่นต่างที่จึงนอนเล่นแชทในโทรศัพท์กับเพื่อนอยู่ตรงข้างๆเตียงที่คุณย่านอนสักพักคุณนัท ก็ได้ยินเสียงย่าพูดว่ามึงอย่าถากูเลยกูเจ็บแล้วกูกลัวอย่าถากูเลย <c oughs> คุณ น, นัทจึงลุกขึ้นมาดูย่าที่หลับอยู่คิดว่าคงเป็นอาการละเมอของคนป่วยแต่ยังไม่ทันที่คุณ น, นัทจะนอนตัวลงก็ได้ยินย่าพูดขึ้นมาอีกว่ามึงไปอยู่ที่ของมึงซะอย่ามายุ่งกับกู <c oughs> คุณ น, นัท จึงลุกขึ้นมาดูยา่าย่าก็ยังคงนอนละเมออีกตามเคยแต่คุณนัทก็ไม่ได้สนใจอะไรและนอนเล่นโทรศัพท์ต่อจนเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่ทราบพอรู้สึกตัวอีกทีก็รุ่งเช้าเวลาประมาณตีห้าเพราะได้ยินเสียงกรีดร้องดังลั่นก็เลยตกใจตื่นเห็นพยาบาลวิ่งครูเข้ามาหาย่าบนเตียง ย่าตัวสั่นไปหมดทั้งสัน่นทั้งปวดท้องร้องโอดโอยเสียงดังลัน่นทำให้คนไข้ที่อยู่ในห้องตกใจไปตามๆกันทุกคนหันมามองที่เตียงย่าหมดแล้วสักพักยาแกก็สงบลงหลังจากที่พยาบาลได้ออกไปแล้วคุณนัทจึงเข้าไปถามยาที่นอนหน้านี้ยคิ้วขมวดอยู่ว่า ย่าเป็นอะไรตลอดคืนย่าก็บอกว่าฝันเห็นผีผู้หญิงตนหนึ่งผมยาวปิดหน้าความยาวของเส้นผมเจารดพื้นมันเหมือนราวกับหมาดำตัวใหญ่ยักษ์ดวงตาเป็นสีแดงสดมันมายืนจ้องอยู่ปลายเตียงแล้วยื่นมือออกมาบีบท้องของยาทำให้ยารู้สึกเจ็บปวดทรมานมากย่าบอกว่า ในฝันนั้นมันเหมือนเรื่องจริงมากในตอนนั้นคุณนัทคิดว่าย่าคงปวดท้องมากเลยทำให้ฝันไปต่างๆนานาได้แต่ปลอบใจไปว่าเดี๋ยวก็หายแล้วก็คงจะได้กลับไปพักที่บ้านย่าก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเช้าวันต่อมาแพทย์เจ้าของไข้ก็อนุญาตให้ย่ากลับบ้านได้ เพราะจากการที่ดูอาการมาสองวันและตรวจเช็คร่างกายทุกอย่างแล้วก็ไม่พบว่ามีอะไรที่ผิดปกติในเช้าวันนั้นคุณนัดกับพ่อจึงพาย่ากลับมาที่บ้านพอกลับมาถึงที่บ้านที่บ้านก็เต็มไปด้วยเพื่อนบ้านที่มาถามสารทุกสุกดิบต่างคนก็ต่างพูดกันว่าอาจจะเป็นอาถรน์ของเจ้าที่หรือเปล่า หรืออาจจะมีผีสางนางไม้กระทําหรืออาจจะโดนคุณใสทุกคนก็ต่างให้ความเห็นกันไปตามความเชื่อส่วนตัวของคุณนัดก็ได้แต่นั่งเฉยเยแม้จะไม่ได้คิดว่าอาการป่วยของย่าเกิดจากสาเหตุของสิ่งเล้นลับแต่ในใจก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมย่าจึงปวดท้องมาก ทั้งๆ ท, ที่ตรวจแล้วก็ไม่พบอะไรที่ผิดปกติเลยคืนนั้นเมื่อเพื่อนบ้านกลับไปกันหมดแล้วคุณนัทก็ทําธุระส่วนตัวอาบน้ากินข้าวสลับกับพ่อและแม่ที่ต้องเปลี่ยนกันเฝ้ายาเพราะว่าแกยังปวดท้องไม่หายหลังจากที่คุณนัทอาบน้ำเสร็จแล้วก็ซักชุดนักเรียนที่อยู่ในตะกร้าส่วนหนึ่ง เพราะเสาอาทิตย์มัวแต่ไปเฝ้าย้าเลยไม่ได้ซักผ้าขณะที่คุณนัทเอาเสื้อผ้าไปตากที่หลังบ้านคุณนัทก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุมอยู่ใต้ต้นมะม่วงซึ่งต้นมะม่วงต้นนี้จะแบ่งเขตแดนระหว่างบ้านของคุณนัทกับบ้านอีกหลังหนึ่งที่ติดกันซึ่งบ้านหลังนั้นเจ้าของบ้านได้ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดแล้ว ปล่อยให้บ้านรกร้างอยู่นานหลายปีคุณนัดเฝ้ามองว่าเงาที่เห็นนั้นจะเป็นเงาของหมาแมวหรืออะไรกันแน่กดจดจ้องอยู่นานเพราะมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาแล้วคุณนัดก็เห็นมันจนได้เพราะคราวนี้มันเหมือนจงใจให้เห็นเลยอยู่ๆมันก็โผล่มาจากหลังต้นมะม่วง มันเป็นหมาดำตัวใหญ่ขนาดความสูงน่าจะโผล่เลยเอวขึ้นมามันแยกเขี้ยวขูคำรามฝันที่แหลมคมของมันเกินกว่าจะเป็นหมาธรรมดาที่เราเห็นกันทั่วไปดวงตาของมันสีแดงจัดเท่านั้นยังไม่พอมันยังปรากฏร่างของอะไรบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับคนผมยาวลากดิน ลักษณะเส้นผมปิดใบหน้าทั้งหมดแต่ไม่เห็นว่าหน้าตาของมันเป็นอย่างไรเสื้อผ้าขาดรุงริงแต่ที่จำได้คือมันไม่ใส่รองเท้าใส่เสื้อเชิ้ตสีเทาเก่าๆมันยกมือสองข้างขึ้นตรงขนาดที่ใบหูของมันแล้วกลางเล็บออกเล็บของมันยาวและคมกริบเหมือนกับมีดไม่มีผิด มันจ้องมองมาที่คุณนัทเหมือนกับว่าจะวิ่งมาหาเพียงเท่านั้นคุณนัทก็ทิ้งตะ ก, ก้าผ้าวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเข้าบ้านไปแล้วปิดประตูใส่กรอนทันทีพ่อของคุณนัทเห็นว่าคุณนัทวิ่งหน้าตาตื่นมาจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยความกลัวคุณนัทพูดทั้งทั้งที่ปากสั่นๆว่าพ่อพ่อ พีรู้ว่าอะไรไม่รู้อยู่ใต้ต้นมะม่วงหลังบ้านพ่อของคุณนัทนิง่งมองหน้าคุณนัท ด, ด้วยความแปลกใจแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรได้แต่เดินออกไปหลังบ้านและมองไปยังต้นมะม่วงที่คุณนัทบอกแล้วพ่อก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยจากนั้นพ่อก็เดินเข้าบ้านตามปกติเหมือนไม่เชื่อสิ่งที่คุณนัทบอกทัทง้งๆที่คุณนัท เห็นกับตาจริงๆและไม่ได้ตาฝาดด้วยคืนนั้นคุณนัทนอนหลับด้วยความหวาดผวาเพราะภาพที่เห็นติดตาเป็นอย่างมากจึงนอนคนเดียวในห้องไม่ได้เลยขอเป็นนอนกับพ่อและแม่ที่นอนเฝ้าย่าอยู่อีกห้องขณะที่คุณนัทเห็นย่านอนโอดโอยด้วยความเจ็บปวดอยู่นั้นก็นึกขึ้นมาได้ว่า เมื่อวานที่อยู่โรงพยาบาลคุณย่าได้บอกว่าฝันเห็นหมาดำตัวใหญ่กับผีตนหนึ่งผมยาวลากพื้นจึงแน่ใจว่าน่าจะเป็นสิ่งเดียวกับที่เห็นหลังบ้านคืนนั้นคุณนัทนอนคิดทั้งคืนทั้งกลัวและสงสัยว่าเขาคือใครกันแน่จนกระทั่งเช้าวันต่อมาก็ได้คำตอบจากบ้านที่อยู่ตรงข้าม เพราะแม่ของเขาในวัยกว่า8ปสิปีได้เกิดอาการปวดท้องอย่างหนักวันนั้นเขาก็พาแม่ไปโรงพยาบาลแต่ตรวจร่างกายแล้วก็ไม่เจออะไรพอกลับมาที่บ้านก็เลยมาหาพ่อกับแม่ของคุณนัดและเล่าว่าเมื่อคืนนี้เขาฝันว่ามีผีผมยาวลากพื้นกับหมาดำตัวใหญ่ผีตนนั้น มันบิดท้องของแม่เขาแล้วผีตนนั้นมันยังบอกว่าอยากกินของเส้นเป็นไก่ต้มเหล่าและอาหารอื่นอื่นอีกมากมายถ้าไม่หาให้มันจะกินจะทําให้แม่เจ็บปวดมากกว่าเดิมเมื่อพ่อของคุณนัดได้ยินอย่างนั้นก็หันมาถามคุณนัดถึงเหตุการณ์ที่เห็นเมื่อคืนคุณนัดจึงเล่าให้ฟังและบอกว่า ย่าก็เคยพูดให้ฟังตอนที่อยู่โรงพยาบาลว่าฝันถึงผีตนนี้เหมือนกันซึ่งเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามบอกว่าบ้านข้างๆที่อยู่ติดกับบ้านคุณเขาย้ายออกไปก็เพราะว่าผีตนนี้ออกมาก่อกวนจนไม่สามารถอยู่บ้านได้และเชื่อว่าผีตนนี้มันคือปอบเพราะมันมากับหมาดำแต่ไม่ใช่ว่า มันจะคอยมากินตับไตของคนเพียงแต่มันจะทำให้เจ็บปวดตรงท้องเพื่อเป็นการบังคับให้หาอาหารให้มันเจ้าของบ้านหลังนั้นก็เคยเจอมาก่อนจึงไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เพราะผีก็กวนจนทำให้เขาเจ็บจนเกือบตายพวกเขาจึงย้ายออกไปและเป็นสาเหตุที่บ้านหลังนี้กลายเป็นบ้านร้าง หลังจากวันนั้นบ้านของคุณนัทกับบ้านตรงข้ามก็หาของเส้นไหว้ให้ผีปอบตอนนั้นเพราะครอบครัวคุณนัทเชื่อว่าเหตุที่ย่าปวดท้องก็เพราะผีปอบอยากจะกินของเส้นเมื่อไม่มีใครหาให้กินก็ต้องไปก่อกวนคนข้างบ้านต่อและกล่าวกันในละแวกนั้นว่าผีปอบตอนนี้ มักจะก่อกวนแค่คนที่อยู่บ้านใกล้ๆและบ้านที่อยู่คุ้มอื่นๆจะไม่มีใครรู้แม้ว่าจะมีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมยาในวันก่อนก็ยังไม่มีใครพูดถึงหลังจากคุณนัดและบ้านตรงข้ามได้หาของเส้นไหว้ให้ปอกโดยวางไว้ตรงใต้ต้นมะม่วงแล้วคุณยาก็หายจากอาการปวดท้องแต่หายได้ไม่นาน ประมาณเดือนหนึ่งคุณย่าก็ปวดท้องอีกครอบครัวคุณนัดจึงได้นิมนต์พระมาทำบุญบ้านทำบุญอุทิศให้ปอบอีกครั้งเรื่องราวก็จบเพียงเท่านี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะจัดการกับมันอย่างไรทายากกลับมาปวดท้องอีกเพราะหากจะให้หมอผีมาปราบก็คงเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่ๆเพราะคุณพ่อสอนว่า มันจะเป็นการผูกเวรกันทางที่ดีที่สุดก็คือการแผ่เมตตาทำบุญอุทิศให้เขาบ่อยๆแต่ถ้ายังไม่ยอมอีกก็คงต้องย้ายบ้านหนีกันละแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับเชื่อเรื่องผีหรือไม่แต่ถ้าคุณผู้ฟังมีเรื่องราวหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอน สามารถส่งมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ Facebook Fan p a g ใต้คลิปนี้นะครับ